มันอยู่ในงเลยในน้าในหลเลยมานกับพิเจมาเป็บจนอาหาดอาหารได้ใน้ามันสารอะไรอดเขาส่งตปัญญาท่านพี่เจ้ามาในน้ามันเกิดาหนึ่งตนก็นู้นคนเกิดมาเป็นเดกบ้าเปล่าเป็นหนุ่มเป็นาวเลยนะคนที่เกิดเหยากเท่ากระน้องเกาะตาใน้ากระนู้นซังวันนี้ที่มีชีวิตเป็นอยู่พี่จะมาดูเขากาะาท่านนเดียวกัน กับเหลืองได้ไหมคมันหลุดเป็นหลืองออกมาหาภัยพิจารณาเป็นอะไรน้อมคำวิจารณาทยอะไรมันเป็นอเป็นพันอะไรน่ะวิจารณาเห็นแวิจารนาเลยเป็นแบบทันทีผนที่ฝาแต่ปัญหาเขามักให้ผลรแต่จิตใจนั้นไม่มีวันที่จะเป็นมักเป็นผลให้จนตั้งใจที่จะพิจารณาธรระ ตัวเพือตัวอย่ไปคิดวหาออาภาพอาวาซนะจะไม่มีโอกาสเวลาเห็นธรรมะได้แล้ย้อนได้เป้นก็ได้อย่าเมื่อยสายแต่เราทำกนจริงจังอย่าเหนเ่อาครับใจล่ะถ้าก็มาถายเป็นเพื่อเพื่อปฏิบัติดีแ้าแต่มาเห็นที่เขาแล้ว มีแต่คุยกันเพลินเม้าเมาสองวันสองวันก่อนศึกษาธรรมะหรือนะแดนที่ปัญญาอะไรไน่มีทางที่จะแก้ไขไม่มีทางที่จะตอบเขาได้เพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีอะไรในจิตในใจของเราเรื่องอดเรื่องทำถ้าเรามีแล้วจะยกปัญหาเลย เพือลูกกับแม่เธอหลาจหาเขาอัดเขาทำนั่มีอะไรที่จะพูดกับเข า, าากเขาไม่ได้สอบเขาไม่ได้ไม่มีเราเห็นได้เพราะเรารู้คนอืน่นผิดเขาเป็นอยู่มั่นก็ากนทาเราโยกใส่ผิดขอจิดอยู่ในโลกในแสงสา ร, ร, ร, รานะผิ ด, ดาาเพราะเระเพื่ปฏิบัติมาก็เพื่อชนะความผิดของท้างใจเราได้ชนะมาอย่างไรก็เลต้องเรียนมาจากที่อื่น จากกาัจะทำมันเป็นทุ้ข์เองมาสอนคนอืกนมาตอบคนอีกแต่ไปข่าวตามตลอดเวลาหรือว่าไม่ทันเพื่อชีวิตหรืออนไม่เฉงข้องการปฏิบัติแต่ปฏิบัติคุกอดทุกทำแล้วมันสุขมันสบายมันหีอะไรที่อย่างยึดเสกยึ่กับจิดใจที่หมดยึดปัญหาาอจะไปจับจุดฝันเข้ม ตุโขเรียกตัวยื้อไ่เลยไม่ก็เดียวตุพันจับยื้เสียงสิ้นเลิบเล่เสียงเงี้ยท้งทีอยู่จับเล่แต่ยือก็อยู่เดียวอยู่เดียวในเกียวข้าว oh. จนเลือนเล่าแรงจเต็มไล่ะเต็มอย่างไหม ถาเราไม่เพิ่มเราก็เพิ่มให้ไม่เพิ่มเราไปกับพระเจ้ากันเลยใช่เป็นพิมที่ไหนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับพวกเราถ้าเราฝึกเราปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมันมีจติรักษาใจมีปัญญาสอนใจที่แก้ลทุกสิ่งทุกอใ่างตามสภาพความเป็นจริงเท่านันอย่าไปหลงไหลใสสัเขื่อี้เหลือตันหา ใ่เครื่องธรรมะที่พระพุทธเจา้าบงบอกแดสองทุกคนจะมีวันจะริญน้าจิตทางใจดีดี่ะเป็นสุขอย่างไรนั้นจะเห็นประจกักในจิตในใจนท่านจะต่างเข้าใส่หรือที่การปฏิบัติปฏิบัติอันนี้นของธรามจะเกิดขึ้นเป็นภพ ถอดทอตามกำลังเวลาละเราถวนเราก็ทำมันเท็งได้เดยเฉพเราจะงงอยู่ตลอดการตลอดเวลาถ้าศึกษาประจิบมันจะมีวันมีเวลาทีจจะเข้าใจแต่เราอยู่ในรับในว่าเป็นพระตรรมฐานส ม, มาก็คือการงานฐานะคือที่ตัง้งน แลตั้งอไรได้ที่ไหนตั้งจิตั้งใจทำงานที่เราคิดเร้คือมันเป็นเรื่องนีลละเรื่องสะสมวิเลปปัญหาตั้งตรวตาตั้ที่แก้วในอย่างนั้นจะได้ไปชื่อยหากกรรมฐานก็กรรมานนะกับเขาแต่เราไม่เป็นกรรมานให้ใจหนุ มขนนกันหนังเรื้ออินกระดูกอยู่นะมันจะเป็นปรฐานอะไรกันอต่มันไม่รู้ไม่ทราบเรหลาน้ตามดึงงให้มันถ้าเจอแสงถ้าเจอแรงตาตามสติปฐานกายนิพานสติประฐานมดลบปเหยื่อตายในแยตายตัดอยู่ที่ไหนบุคคลอยู่ที่ไหนเจ้า็นเราเขาอยู่ที่ไหน ถามดูอย่ถามนถามขนถารถมทันถานไปเม่ันเป็นขนเป็นนปถเป็นทันมเป็นเป็นหคนานที่เจอเลยอย่ายับทให้ตยขบทายเท่าไรเทาใจเท่าไรใจมันเย็นมันสบาย มันหายเสื่อสายเราอยากให้่าใครใจเท่าไรนันก็เลี้ยงใถเท้นเลี้ยงก็ไม่เลยเ้งอื่นเลี้ยงกรมฐานเวเลี้ยงกรมฐานมันก็เล้ยงทำให้และทำมันเกิขึ้นจากกรรมฐานการงรนทํากนที่นี่เจแลวอย่าไปทิ เนหทอคนอื่นหรือเป็นของางสมัยเกี่ยวกับต่างเดียวตายุแห่งการพัฒาการเรียนรู้ได้เด็กจเป็นใครเลยเป็นประโยชน์แลประโยชน์อะไรคนที่ใจใหญ่คนไม่นีอัฐีทำได้ในหลักสารนว่าเล็หรือไม่กสรางมีสงรายนดูบ้าง ล้วไปใส่งิ่งนี่นอกก็ท่านเอาแล้นขอยู่ท่าเขาอยู่ใจขาอยู่ใส่ใจแต่มันไม่คงให้มันม่อาไม่ทาเป็นผ่อหรือเป็นนักเบื่อเนื้อเ่อในนี้อาบม่ทำในนี้จำหยเยยหรมีความสงบละจะเป็นหาที่ไหน ยิ่งจะคิจะเห็นอาจทำให้พราะพวกนี้ไม่ใช่ที่อย่างเดียวจะยื่นเี่ยวกันเดืองื่นพระพลังอาจยอเขาเฉ่หลือเดียวทุกอย่างซปัจจัยทั้งสี่ยีวันจะสทนทเสวนผูก้าผูกต่ออะไร แต่พิจารณาให้ตัวหาแล้วเง้ถ้าหากปรตเปรีย ด, ด, ดในอดในธรรมในเรื่อใสข้าหาแล้วให้ไม่ไม่ไม่เห็นกันหรือฮ่ะแม่ยิ่กว่า้าใส่หัว ก, กะใจอ่อนโกรธบางคนอดจนนะอยู่น่งหงอยกว่าท่านว่อยู่แล้วในใหน้าอย่าจงจะไม่จะเห็นกันจีหถึอยู่แล้ว มันมีจะหยาก็ได้ถ้าค่ว่าถอยอาหารก็เหมนกันพอขบพอฉันจะฉันจ้ตาก็ได้ในบาปที่เราคื่เอาบุญบาปมฉันหมดนั้นตาเพราะกับพระมันแตกแล้วเราเออดางอยาเชอะไรคืออยู่ที่อาสก็คนเลี้ยหงาเขาอยู่กัน เได้าจคนองเ่อเพือรื่ของเขาผิดป่าเป็นึกแล้วอยู่คนเดียวรคไยไทยเจ็บมันจะมีอะไ้รักษาแนื้อเยื่อยาเเส้นอะไรเขาห็นมันสะดวกสบายไหมหรือจะไปหาการสะดวกสบายคือไหนดวจสบายอยู่ก่โอกาสเล ที่จะภาว่าแล้วลที่เราไม่มียึดกับอะไรคือยู่ที่อาศัอ่ในธาตุนิพพานม่มอาหารที่จะหล่อเลียงล่างกายไ่นี้รือเรา่ีโอกาสเวลที่จะพาวนาแล้วลที่เดูใครนาที่ย้าถึงตัดเรื่องความคิดความจิของใจออกให้ได้ไม่อย่า ง, ง, น, า ง, า ง, งานั้น มันใจหกเรยไปอยู่ที่ไหนก็ใจหกใจเย็นใจผู้หญิงไ่าจีผู้หญิเไม่ใจหกไอ้ที่นู้นก็อ้ที่นู้นก็อีกนะเหมือนหยิ่งใจในวันทันสักทีเราอยู่ไม่ไกลเร่อใจหยาบใจตั้งใจทำตั้งใจอย่างไรเล มือักมือทำาราไม่เห็นในเย็นในสงบแล้วอตากไปสอนคนอื่นให้สงบให้เป็นไม่เป็นไปไม่ได้จะต้องรู้เท่อก่อนใจไข่ใจเส่าก่อนจินจะได้สอนคนอื่นได้พยายามสานใจทั้งตัวติเปวมตัว อยากไปเชื่อเดีอยวยุดยืนตั้งหัวทำมาถือคือใจใสในว้ยนันเป็นประโยชน์ทั man, wre ้งนั <c oughs> ้นหากเราเน้นเาคิดพิจารณาโดสติปัญญาจริงจังยุดนในรูปทางที่จะก่อเกิดจิตใจผ่านที่เราในธรรมดูยิ่งถ้าจะทาอะไรจิตใจมันจะว่างไหจู้ยิ่งยิ่งจะเบียดเบียน แล้วเนี่ตันูุแต่ดูวัดดูว่ากานสืนอถายนี่จิตใจไยเสงบไม่เย็นก็ไม่เย็นอย่างไรหาแต่ใส่แต่ทุกแต่โทษมาเข่าตือหรือจะไปโอะธรรมะไปโทษคุยอาจารย์ไปโทษคุยอยู่ทุ่อาใส่มันบ้าเดินไปเดินตก็ไปเดินไปต่ก็ปด่าต่ จะเดินไปเดมันเถ้าแมันดินคนเราเราไปเดินมันปหามันแยบงั้คนเราที่มันคิดออกนอกจนเมืกันสงบได้ในห่นเห่นทยเมงสืตัวี้ัเดเดิน่นหรือ่เมืเ แต่รักษาตัวเองหลังเ่ียนอยูนนั่นตะเกีไวเราดะไมเดินไปแย่ไปโทษมันมันพนันน้นี่คือคนห่าไกลจากธรรมถ้าคนมีอาจมีทาแล้วจะไปโทษตัวทำละตัวรักษาตัวแพราะธรรมเป็นสทวนของความเชื่อความคิดแห้ถูกต้อง อย่าัำพยายามสอนตัวให้ตัวสึดตัวให้ตัวยำตัวให้ตัวยังคืนที่แานไปยังให้เป็นเหมันแต่ที่ปัญญาเกิดขึ้นอย่างที่นิติจทำถ้าเราพป็นนิติเจทำเป็นอย่างอยู่ต่บวันยังทำไม่จะมาเกิดอะไรให้นอกจากยีหลดปัญหา ในจิเในใจแต่เรามาสะสมกิเลสการหาเลยมาวล่กิเลสการหยดของเราแต่เรามาไล่ก่เลสเราจะทอย่างไรจริงไเราคือว่าผือเม่อไล่กิลสเราต่องดูแต่ที่เจอมาในอย่างนี้อยังเวลาที่ผ่านไป ตระโยชน์ตาในเกิดอสาระประโยชน์อะไรให้อยูได้ร <ette> ัฐประตัวน์ตาใจใจอยู่ในบ้างมีการสรุปอะไรให้ดูเถอะสิ่งเดียวเป็นตัวยึดตัเชียเรื่องหลหลอกใทรกินเกิดในเครื่องแบบในหน้าอับอาย หายหน้ายานถอนปวกงตัวจิตแสจิตใจทั้งตัวเดสติปัญญาอยาไปดูที่อื่นดูที่อื่นมันหลงดูจิตใจทั้วอยู่เมันเข็มเนี้มันคิดปรง เนทางเชื่อจะพยายางกำจัดขักไล่เงเเ้นไปเป็นทีน่เรียนอะไรในทางจะแจใช้เป็นอาจเป็นธรรมกว่ส่งเสมันขึนจะจะ้นังก็จะเรียตา่างจิตใจสึกสบายหา้าตาหยุดอยงแจใส่ฝึจิตใจสึกจิตใจสบายอยู่ในวัดไว่ละ สทาเป็นเป็นิตใจใาสตร์ันเื่อไหลไปที่ไหนมันยิงจ่อคาราะคิดไปเอย่างนั้นคิดไปเอย่างนี้เหือไลรูดไม่เยี่ยยิงไปตามยาอะไรแบบนั้นมันเกิดคุณค่าอะไร เช่อใหตัวจะไปหมีตัวให้ตัวอยาเชื่ออาเ่อจะใคนอื่นเขาเลี่ยนไส่ยืนดีอย่างไรเพาตัวตัวจ่ยังไปหนีตัวให้ตัวได้แต่เขใจในอดในธทําหนึ่งหนึ่งาทีเพื่อปฏิบัติอย่างน้อ่นั้นมีความสงบความเย็นความสบาง อย่างนี้มันมีคุณค่าอ้ารข่าเรียงหที่ไหนก็ได้ผมกลัวลยเมื่อไรก็ได้นี่มันดอยู่ที่ข่าเรียงดูสิที่ใสลงโน่นนั่นอยู่ที่อักขุพทนธ์อย่างนทุกคนสอนตนทุกตนมองดูภายลยตลาดเวลา จิตใจผิดเช่อผิดเสียต่างๆหากแห้งพยายามทำตามดูถูกเป่นทู่ถูกต้องคิดเป็งที้เป็นอาจเป็นธรรมเป็นกุศลอยู่โดยการเป็นพันเป็นหมื่นมันจะเลยเทอะเบาแหวงครับเพราะต่างคนต่างต้งารรักษากายใจใจเครื่องมเชื่อ เน้อต <necessary. S 2> no, no, the no, ่างๆในคิดในพูดในทำในมันจะไปกระทบไปเทียนใครอีกแต่เจ้าของเจ้าจะ้ายชอบสิงที่เชื่อที่เสียรักษาแล้ว่างคนต่างรักษาโดยกันเป็นหมื่นเป็นพันมันจะไม่มีอะไรที่กจะทบไปเทียนกันเทียนสองคนเท่านั้นถ้าหากเรรักษาตาใจใจใจเทีย มือดีย่างนันมือดย่งนีเห็นผิดผิก็ขาดก็กันทะลาะกันแต่ต่อเหรอจะเงินน่ะหนีเพื่อการนึยงังเียนรักษาสุภาวนาในสมัยที่แพทยาทำทำนสงบมือจนเงินนหมื่นๆกว่ากย่างนี้อะไรสิจะเทาะอะไอย่างนั้นเงินจนติดกับติดบัก เป็นการใหันเป็นอย่างนั้นนอกจากคือคเรี่อตะพี้หนักเราหวมาเค่นี้นปปะาานนสะสมจิตเรศปัญหาห น, าานาึ่งวด้าสะสมจิตเรศปัญหาอย่างละบางรักษาอย่างนั้นได้แตทุบตะเทียงกั บ, กกบกคนอืน่นรักษาต า, ารากักษาใจรักษาใจของตั ว, ว้เหร ไม่กดูเดีวเขาด้ต่ควรต่างรักษาใกดจะเท่าเทียนกันขอรักจะปิบัตอะไรมีหน่าที่ควรทำก็ทาไปเตีปัญญาวิจรใจในสัมมันเสมือนปฏิบัตจลนักจเอาใจใส่ปฏิบัติตยุหนก็ต้องเอาใจใส่อย่าให้ใจมันเพน เปนเ่องหน่อบทีมันอาจจะเกิดปัญญาจากการทำนั้นนั่นก่อนจะสะอาดสะอาดเนี่น ย, น, ย, น, ย น, แบบนั่นนิ้ัยมันมีเปลืองเศกระปุกกลนโดดลงมาใจทีงเราถูหนึ่งอยา่างเชันฮะาสติปัญญามันก็ททานโมเยกะกันมันปกมัน เ, นเลวลงมาเหงื่อกี่เหลวปัญหาเหงื่อความเฉียวฟาเสียหายมันจะเกิดปัญญา้นได้ ผู้ใจในทางทำนี่ทำก็คือาปลว่าทำแต่เดี๋ยเอาใจใส่หีืยผู้ใจในอะไรสติปัญญาเราเนยตรวมาให้พอไรเนี่ยะแสวงหาแล้วมาทำขึ้นนะมันจะเป็นเป็นป่าหรือเป็นสวนสติชลาให้แต่คนน่อยมีปัญญาเ้ามาปูกฝังขึ้นหรือทำนะใครก็ได้จ่ายแต่ทำเราเดียวกัน ็นฉลาดแถวนั requests, pues air, ah ้นยังจะเอาตัวรับได้คนเหนื่จะมีวันเวลาที่จะรักษาทรรมะเขาพิจเจณาได้เ้าทือว่านักเหนือเป็นผู้ประทินปฏิบัติเรเป็นนักเหนือยปฏิทปฏิบัติกันแค่ไหนกายใจที่เรา ถูกตั้งใอ่านธ้งต้งตงตนทีวิตที่ใจมาไปสอบสึกตัวอยู่สัมันไปโนต๊ตไปในอย่างนั้นมันก็ขาดทุนจริงจริอาไรอยู่ไปต่วาา่าขาดแขนเราเชื่อเราเสียเพียงคนเดียวกรรมฐานในอย่างนั้นกรรมฐานในอย่างนี้ทั้งทาสื่ครูอาจารย์ที่ทำเองอือ่นทำด้วยอยู่ อ่านั่นเรื่เงตัเดียวเท่านั้นอยู่ในฐานในภาสนั้นนั่นเหมือนทั่วไปมันเป็นธรรมนียมนั้นเย่าละวางรักษาอย่าให้นั้นขั่วมันเสียใจเราจางหรืออยู่ี่อืนใจนอยู่ที่อื่นอู่กับตัวนี่ตัวที่ตัวแห่นะ แต่ปีแตงยาเกิดีมันมีอยู่อนนี้ไม่เห็นปัญหากเกิดขึ้นจากไหนมันจริงมีทางที่จะสาดกันชนะกันได้ในอย่างนั้นมันคงทางที่จะไปะเพื่อปฏิบัตความเชื่อมีอยู่อะไรจงมีทางแก้ไขเม้นจังกตาแลงมีอ่จรงเลยถางคามรักยัมีอยู่ แลาจเหตุการดียกว่าถือว่ากิเลปัญหานี่เป็นทางสดเสตีที่จะทาจุดทำใจให้เสีอเรียสึกสงฆ์ทานผู่อื่นไน่หนักแน่นแต่กับสงฆทานของกิเลสปัญหาสงฆทานนี้มันมีอยู่เพื่อทีเ่เวลาถเราถือถือล่าอันนี้ คือให้ทุกให้ถั่วแต่ตัวเทงเรายิ่งกว่าขาสุดทั่วใจเราต้องตั้งใจลบตั้งใจตั้งใจสู้เพื่อแก้ไขขับไล่สิ่งที่ชั่วเสียยิ่งจะได้เสวนาปฏิบัติการเป็นปีเดือนนม่เคยคน เราทาดีทาชั่วมันก็หมดไปหมดไปตาหน้าขี้ทั้งมันขาขี้ทั้งหมดแต่การินมันจบเป็นหนาอย่างนี้มันไม่หมดไปที่ไหนแต่สมดมันเป็นอย่างนั้นการเ็บจจะบตายเพื่เราท่านนั่นก็ตาตายงที่ีนันอยู่เมนันไม่ลหครับ ส่งเสรมเ่งลาเยได้เกิดในตายในนี้มันเป็นตายแต่ความยากได้ยิ่งยิ่ตามโลกโลกใครระแบิฐานเช่นแบบให้เอกสารได้ทำไมมันจึหลงกันแขงแข่เลยอยู่คนเดียวก่นกในสติบัอยู่กับมือเพื่อนจะหาตังเ โอกาสเวลาไปไปคุยกันไม่่อเห็นวันมีเวลาดีเยอะเมนจะยืยุ่นเยายามดูรักษาจากปัญญาในกาเกิดขึ้นแตี่โยนะ ในอดในทำถึงอย่างยากลำบากสาคูนอย่างเกิดปัญหาของเราหนึ่งคือจะเอาความดีจากการทานี้ทำดนักต่างๆเราเคยทำมาแล้วไม่ได้เก่ดผาประโยชน์อะไรให้ไม่จริงเป็นสอนใสอนใจใครละ เพียงพยายามที่จะพิจารณาการอดตานนั้นมีสติมีปัญญารักษาอยู่ตลอดวันตลอดเวลาไม่เดืร้อนหยกลัวจิตมีธรรมะเหมือนกันกับความเมืนกลี้สว่งถ้งสว่างมันอยู่ที่ได้ว่าควมเมื่ยมันหายไปจิตใจที่มีธรรมะไม่เดือดร้อนหายกลัวอย่างนี้อย่างนี้ธรรมะจะได้ อันอื่นคือ ส, สติคือปัญญาแตจที่แต่ที่ปัจฐานกายเว ท, ทนาจิตธรรมนันก็อยู่นนี้อวียสสติที่สมุทัยนิโมันก็อยู่นีนักแก้มันก็อยู่นี้ อยู่ผู้อื่นเขาจะไหายจะ้ะไม่มใจจางคนหนึลมห้ยจนจิตเขาเหนื่อวลาเป็นเส้นเราจไม่ลมหยใจเราจะห้แต่าังใจทำมหนมีอ่าัหมดห้องหเป็นเรา จะทำให้เกิดประโยชน์มันเกิประโยชน์ได้มากทำให้เชื่อมก็เดินได้ยิ่งกว่าตัดมันเชื่อได้มาอเคยางที่ีี่เจนนะอยาไปคิดว่าเราอาสบบอาบหากใช่ไห เมาเกดเป็นมมาเชือกนลบอยากเสมถือปั๊บาากเสมอคนจะเงินแถนเงินล้วนอย่ออยู่บ้านียไม่โอกาสแต่เราเั็นศีลภาวนาเราคิดเราเป็นเชื่อถึงเป็นเด็กเป็นลูกถือถ่ายถแจกให้วงการาเพราะเหตดเพราะเรามีศีมีธรร แต่หเราจะรักษาจะรักษาทางอ่งใครใครจะเหือดใเป็นใจสาวยากแ่สิ่ห่ของจเรนั้นมันเป็นใจง่าไโลกถิดใจเราต่อให้ยาเหตุเดือดตาของเราเราจะจะไปเทว่าการหยดไหลคุ้ค่าไม่มีตาไม่มีเหตุผลขใจแบบนั้นคือควาใจผิด จะหาความสุขจากโลกนะฮะความสุขจากธรรมะหาความสุขจากโลกเหมือนหายเหลียดจากเตียงเรียนเจอใจเสื้อเตือกกาหนดอัดทันเรื่องใจจะสงบใจจะเย็นการปฏิบัติมีที่อื่นที่จะปฏิบัติ แย่ที่บอกในตาในใจท้ตัวถวนั้นแถนังนนกภาพเยอะชื่อเี่ยเอี่ยเต่ใจนเห็นใจมนตเี้ยแม่งจะเรียนเตไปชี่ไหนมันจะไปเอหแใจเห็นใจเป็งยมันจะเห็นนึกามันยูที่ไหนแถวนั้มันดูื่ไหนแม่รบมันยูที่ไหนมันเห็นในใจทั้งตัวพอมันดูมันจึงเห็น ในเวลาตาหนังไม่เห็นเนี่ยคืเขาโตถึงเก็บไม่กเห็นพอหลับตาหรือตาบอดเน่ยชื่อความดีทหารคนดีปฏิปัาที่โยลาถาใจใจงเจ้ามนก็จะรู้ดูอย่างนี้เชื่ออย่างนี้ความเชื่ความมั่นเพนันจะให้าใจ ใตอวต่บกเป็นที่วกหเองแต่คนอื่นจะมบอกทำห้เาเห็นเองคนอื่นจะบอกอย่างหนบางคจมเชื่องเต็ใจเอง่นักังแต่ที่ดบัมีเป็นเรื่องสำคัญเนเดียวกันที่าหตึอาเป็นนากดพบก็ต้งหนดพิรุธเจมารักษา อยสนกับชื่อแก็เมื่อทำอย่าไปคิดน อ, อ ก, ก, อ, อ, กคคนออกไปจากออกจากธรคุณนคิดนอกออกไปจากออกจากธกคือคนมาเดินตามถนนรถมาเดิ น, นตามถนนมันมีอันตรายตนในที่เจ้าแบบนี้การที่เาแล้วเราไปสนใจสียงอซไรไปยุติธเสนนี้